ให้ไปให้พากันตั้งใจทำรวมใจให้คนให้ดี <c oughs> เราทุกคนเลยคือว่านับถือพระพุทธเจ้าพราะองค์ <c oughs> เดียวกันผู้เป็นนักปวดก็ดีเป็นครือหัาก็ดีต่างคนก็ ต่างอุทิศชีวิตของตนบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์โดยที่เราเชื่อมั่นว่าพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งกำจัดทุกทางจิตใจได้ไม่มีพระคุณอื่นที่จะกำจัดทุกใครต่ททางๆออกจากจิตใจนี้ได้ เสมอหรือยิ่งไปกว่านี้ไม่มีเราทุกคนที่เป็นชาวพทุทธก็ต้องพิจารณาหเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปกล่าวคำปฏิญญาณตนถึงด้วยวาจาเฉยแต่ว่าใจนั้นไม่พิจารณาให้ลึกซึ้งในพระคุณเหล่านั้น เราก็จะเห็นเป็นเรื่องไม่อัศจรรย์อะไรนี่เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ต่อเมื่อทุกคนมาพิจารณาตัวเองด้วยแล้วพิจารณาถึงพระพุทธ เ, เจ้าด้วยไอ้ตัวเองพยายามละกิเลสตัณหา อยู่ในจิตใจนี่เต็มที่มันก็ยังไม่สามารถจะละกิเลสตัณหาให้หมดไปได้แม้จะเบาบางลงนี้ก็ยากเต็มที่เดี๋ยวนี้เราพระพุทธองคนะ์พระองค์ทรงละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระไทยจริงๆเรามาพิจารณาตัวงเราเทียบกับพระพุทธเจ้าเลยจังหวา จึงได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ศาอัศจรรย์พระพุทธเจ้านะทั้งที่ไม่มีใครเป็นโครอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลยพระองค์อาศัยพระปัญญาตรีชาติความสามารถความเพียรของพระองค์เองนั่นแหละเทวเพน่าอัศจรรย์นะน่ยอัศจรรย์อะไรอัศจรรย์เพราะพระองค์มีความเพียรใหญ่ มีความเรียนไม่มีใครเสมอเหมือนเลยนั่ น, นแหละแล้วูดถึงปัญญาก็ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะว่าคนอื่นๆนั่นอะไม่สามารถที่จะละอาศวักิเลตันหาโดยลำพังตนเองได้โดยไม่ต้องได้ประดับประบรางกับ ผูอื่นมา ก, ก่อนนี่แหละหมายความว่าไม่สามารถที่จะละ ก, กิเลสตัณหาด้วยอุบายัญญาของตนเองได้ดังนั้ น, นจึงว่าไม่น่าอัศจรรย์อะไรสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเพราะว่ายัางละอาสวะกิเลสไม่ได้หมด ส่วนพระพุทธเจ้าแล้วพระอระหันต์ทั้งหลายนะพระอระหันต์นั่นท่านได้สดับโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วรู้แนวทางปฏิบัติอันถูกต้องแล้วก็ตั้งความเพียรลงไปเอาใจจดจ่ออยู่ในใจตัวเองจดจ่อวัชะละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไป ท่านทำความเพียรเพียนเพ่งพินิษฐ์อยู่ในจิตใจไม่ท้อไม่ถอยอนี่ที่สุดท่านกุระอาสวะกิเลตให้หมดสิ้นไปได้แต่บางํำพวกก็ไม่ยากอะไรเพียงพระองค์แสดงพระธรรมบัตรพระคาถาเดียวเท่านั้นจบลงโดยไม่ได้อธิบายอะไรเลย พอได้สำเร็จอรหัตผลแล้วแต่บางพวกก็ต้องได้ทำความเพียรบากบันพอสมควรจึงละอาสวะกิเลสได้ น, นั่นแต่บางพวกแม้จะทำความเพียรอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถสำเร็จนักขนธรรมวิเศษได้ในชาติปันนี้ แต่มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปนี่บุคคลมันมีสี่จำพวกอย่างนี้นั่งนั้นเนี่ยท่านเจรินกล่าวว่าเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์ใจเนื่องจากว่าคนธรรมดาสามานนี้ไม่สามารถจะละกิเลสให้ขาดได้ โดยเร็วเหมือนอย่างพระอรหันต์สาวกทั้งหลายนั้นบางคนแม้ภาคเพียนอยู่จนว่าตลอดชีวิตก็ยังละกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปไม่ได้ <Okay. S 1> เทียงจะเป็นอุปปิสัยปจัจจัยติดตามไปในธาตวต่อๆไป <Okay. S 1> เท่านั้นเอง ส่วนบุคคลผู้มัวมอประมาณแล้วมันยิ่งห่างไกลต่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเพราะว่ากิเลสตัณหามันอยู่ใน จ, ใจิตใจถ้าบุคคลประมาทหมความว่าอยู่ปราศจากสติสมบัติชะขาดการสำรวมจิตขาดความเพียรเส่งพินิด อยู่ในใจิตใจใจนี่เมื่อปจะจากสติสัมปชัญญะแล้วมันมีตั้งแต่จะเหลวไหลไปมีแต่ที่ทางที่จะคิดต้านไปในเรื่องที่จะเป็นสาระประโยชน์มากต่อมากดังนั้นเนี่ยทุกคนจึงต้องตั้งความเพียรเพ่งพินิด อยู่ในจิตใจเสมอเสมออย่าไปลืมจิตตัวเองเพาลืมจิตตัวเองนี่แหละมันถึงทำให้หลงไหลไปหลงทางเดินนะทุกคนเมื่อภาวนาเป็นพอสมควรนะรู้จักจิตใจตัวเองแล้วอย่างนี้นะ ก็พยายามรักษาจิตอันนั้นไปเรื่อยๆไปหมายความว่าเราภาวนาอยู่มีสติสมัติยัจประเข้าประคองจิตให้เป็นปกติไปอยู่อย่างงี้นะแล้วจะให้มันไปนขาดตอนนะต้องรักษาจิตนี้ให้เป็นปกติเรื่อยๆไปแม้เราจะทําการงานอะไรอยู่พูดอยู่ก็ตามทําอยู่ก็ตาม นั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเดินไปก็ตามยืนอยู่ก็ตามเราก็กำหนดจิตรักษาจิตที่มันเป็นปกติอยู่แล้วนั้นให้มันเป็นปกติอยู่เรื่อยไปอย่าให้มันเคลื่อนไหวไปผิดหนทางเช่นธรรมดามันเคย เดี่ยวทางไหนมันก็อยากจะไปทางนั้นเมื่อยังลากกีเลสไม่หมดมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคนเคยมิตกวิจาร์ไปในเรื่องรักเรื่องใครมาแต่ก่อนเป็นอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยพอเผลอเผอตัวมันก็ไปไปนั่นแหละจิตมันก็วกเวียนไปหาเรื่องรักเรื่องใครนั่นแหละอยู่อย่างนั้นดางนั้นถ้าผู้ เสถียห่างแล้วมันก็ไม่ทันของคิดนั่นก็ปล่อยให้จิตคิดไปจนว่ามากแล้วจนมันก่อตัวเป็นความกำหนัดยินดีขึ้นมามันก็แสนที่จะละยากมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันหยกจาเจไปเรื่อยๆไปอย่าอย่าท้อถอย ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้สักชาติเลยเกิดมาชาติใดก็จะมาตกเป็นธาตของกิเลสตัณหาปล่อยให้ตัณหามันจูงจิตจูงใจนี่ไปตามใจชอาของมันตัณหามันกระจูงให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนั้นมันโกขันอยู่ก็คิึงใด มันหามันกระโทงเสริมให้อยากได้สิ่งนั้นเข้ามากมา ก, มากเข้าไปอดังนั้นพูดที่บวชเข้ามาแล้วมันอยู่ไม่ได้ฝึกออกไปบมดแล้มันก็ล้วนตั้งแต่เอาชนะความอยากในหัวใจไม่ได้ทั้งนั้นหละดันงนกว่าบางคนก็ไม่เพียรพยายามที่จะเอาชนะความอยากไปเลยเมื่อมันอยากขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันอยากกล่อไปอยู่อย่างนั้น ไม่คมจิตไม่สอนจิตของตนให้ละความอยากอันนั้นจิตใจนี่มันจาเป็นตัวเองควบคุมตัวเองนะคอยเข้าใจจะให้คนอื่นมาควบคุมให้ไม่ได้หรอกไม่ได้ทุกคนมันต้องควบคุมจิตตัวเองอย่าไ ป, ปล่อย ถ้าปล่อยให้มันไปตามความอยากแล้วไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันยังอยู่กิเลสมันก็เกิดจากจิตใจที่ประมาณนี่แหละเมื่อจิตใจประมาณแล้วไปสร้างมันขึ้นมานะเช่นสร้างความอยากขึ้นมาอย่างนี้นะสร้างขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งอยากไปเท่านั้นอนะันเป็นงนั้นเอถ้าพอได้ควบคุมจิตได้ ไม่ให้มันอยากไม่ต้องอยากอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าจะพึ่งอยากจะพึ่งผูกพันเพราะมีเจ้าของไม่เที่ยงมีเจ้าของแตกของดับมีแต่ของที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากลำบากผู้ใดจับงานอะไรเข้าไปแล้วคนยุ่งต้องแก้กันอยู่เพราะวันนั้น กลัว่างานแต่ละอย่างมันจะรู่ร่วงไปได้นี่ไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือหัดผู้ใดคิดใหญ่เท่าไรทำการงานใหญ่เท่าไรก็ยิ่งยุ่งมากต่นนั้นยิ่งหนักใจหลายจิตใจเมื่อยล้าไม่มีกําลังเลยไปเอาไปคิดอ่านตั้งแต่การแต่งงานอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละ ให้พากันคิดดูให้ดีแต่ว่าผู้เป็นใคร่หัดนั้นอ่ะมันกำเป็นอยู่เองเพราะว่าเป็นผู้บริโภคกรมคุณยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจความยินดีรักใครอ่อ น, นั้นมันไม่ใช่อยู่ที่เดิมได้มันรัก รูปนี้แล้วไปไปเมื่อรูปนี้มันชำรุดลงมันก็เบือ่อไปเห็นรูปใหม่ที่เต่งปังตัวนี้อ่ามันเกิดรักเกิดอยากไล้ขึ้นมามก็ดิ้นล่นแนสะวงหาอย่างนี้นะเมื่อแสวงหาแล้วในทางสุจริตไม่ได้ มันก็แสวงหาเอาในทางทุจริตสาเหตุที่คนเราจะได้ทำบาปก็เพราะตัณหาอย่างว่านี่แหละมันบรรลับตัณหาในหัวใจไม่ได้มันยังกลายเป็นอกุศลจิตขึ้นมาเป็นเพลงนั้นดังนั้นนะทุกคนได้เห็นโทษเห็นความอยากคือตัณหาอันนี้ผู้คลองเรือน ถ้ารู้จักผอมใจเคร่งนให้อยากแต่ในสิ่งที่จำเป็นในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่อยากมันห้ามมันได้เช่นนี้นี่มันก็ไม่ทุกหลายไอ้ที่มันทุกหลายอยู่นั้นก็เพราะว่ามันปล่อยให้ความอยากสุดค้่าดวงจิตนี่ไปโดยส่วนเดียวมันร้างเหนียวตันหาไว้ไม่ได้เลย มันร่างเหนียวคิตใจตัวเองไว้ไม่ได้ปล่อยให้ตัญหามันสุดคล้าไปตามประสงค์ของมันเพราะฉะนั้นแหละผู้หญิงก็จึงไปเล่นชู้จากหัวผู้ชายก็ไปเล่นผู้จากเนี้ก็เพราะว่าปล่อยให้ตัญหามันสุดคล้าไปนี่เองแหละไปทำบาป ท, ทำกรรมใส่ตัวเองแล้วนึกว่าตนจะได้รับความสุข สม่นเสมอไปไหมมันก็เป็นสุขโตกประเดียวประเดาวเท่านั้นแหละสักหน่อยทุกข์กระทับขมเข้ามาแล้ววันนี้นะอืมเรื่องยุ่งยากอะไรต่ออะไรสารพัดก็เกิดขึ้นมันเพราะว่ามันเดินผิดทางแล้วนี่มันไม่เป็นธรรมแล้วมันไม่ไม่เป็นศีลแล้วถ้าเดินผิดออกไปจากทางศีลทางธรรมแล้วชีวิตนี้ยุ่งแน่นอนเลยทีเดียวอ่ามันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละการฝึกจิตให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเนี่นะมันเป็นสิ่งจําเป็นแทๆ้ๆไม่ว่านักบวชไม่ว่าคาเฟ่ฮัมันเป็นคุณเดิมนะการที่เราสร้างบุญสร้างกุศลมาการที่เราปลูกกฐาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพาระธรรมวสุงมาตั้งแต่แรกแล้วอย่างนี้นะ แล้วบางคนก็มาปล่อยทิ้งระหว่างกลางนะไม่นึกไม่นอ้อมไม่ทําความพอใจในบุญในคุณไปพอใจในกรรมคุณเอภายนอกนู่น ม, มากกว่าที่จะพอใจในบุญในคุณความดีที่ตนกระทํามาเมื่อเป็นเช่นนี้นะบุญคุณอันนั้นมันจะมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกมันจะมาดับทุกทางใจได้อย่างไรแล้ว เพราะว่าตนไม่น้อมเข้ามาตนไม่รักษาบุญคุณนั้นไว้ได้อย่างนี้แล้วจะให้บุญคุณมาช่วยได้อย่างไรอ่ะก็ยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อใจไม่ข้ามมันขึ้นมาอย่างไรแล้วมันก็ไม่มีอย่างนั้นะไม่มีเลยอืมเมื่อกล่าวโดยรวมๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ คนเราเนี่ยนะสร้างผุ้สนความดีขึ้นในจิตใจในี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เกิดมาแต่ละชาตินั้นนะต้องว่าฝึกใจของตนนี้ให้ยินดีพอใจในบุญในคุณความดีต่างๆนี่นะนี่กลัวว่าจิตใจมันจะมาพอใจยินดีในบุญในคุณนี้ไม่ใช่ของง่ายถ้ามันง่ายแล้วมันก็คงจะมีผู้ เชื่อมีผู้เริ่มใช้ในบุญในคุณนี่เต็มไปเนี่ยในโลกสงสารอันนี้นะแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่มั่นคงในบุญในคุณได้มีเยอะแยะทั้งนี้ตว์ทั้งนั่นก็เพราะเหตุว่ามันปล่อยให้ตัณหาอาวิชชาในจูงใจไปอย่างว่าวนะไรเนี่ยันไปง้นไม่เหนี่ยวร่างจิตใจตัวเองไว้ มันจึงเป็นอย่างนั้น้ำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ตั้งอยู่ในอภมาตธรรมคือความไม่ประมาทแล้วก็ต้องตามควบคุมจิตอันนี้อยู่เสมอเสมอไปเพราะการรักษาสิ่งอื่นนั้นมันมีคุณค่าน้อยกว่ารักษาจิตการรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณ รักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในงานความรู้ยิ่งเห็นจริงอันนี้อันนี้เป็นการรักษาที่ดีที่ประเสริฐมากทีเดียวนะเพราะว่าเมื่อรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างนี้นะจิตนี่มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่หวั่นไหวต่ออํานาจของกิเลส ท, ที่มายั่วยวนชวนให้หลงให้เมา มันก็ไม่หลงไม่มเมาไปตามเพราะว่าตนมันเห็นลดาตาแห่งความถุขอันเกิดจากความสงบเห็นอำนาจแห่งบุญแห่งคุณที่มีอยู่ในจิตใจของตอนทำใจของตอนให้สงบไม่ตั้งมัน่นไม่หลงยินดียินร้ายกับอะไรต่ออะไรนี่เมื่อใจเป็นอย่างนี้มันแสนจะมีความสุข ใครไม่เห็นหรอกว่าผู้ปฏิบัตินั้นมีความสุขภายในจิตใจอย่างไรคนอื่นไม่เห็นไม่รู้ได้หรอกมีแต่ตนของตนแต่ละคนเท่านั้นเอจะรู้ว่าจิตใจของตนมีความสุขมากน้อยเพียงใดมีความสุขอยู่ในธรรมมั้นมีความสุขอยู่ในความสงบ ความไม่อยากได้อะไรกับอะไรในโลกนี้นะนี่อันข้อนี้ผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองรู้จิตใจของตนเองไงว่าใจของตนไม่อยากได้อะไรในโลกนี้อิ่มหมดอย่างนี้นะทำไมจึงอิม่มอิ่มเพราะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดไม่ใช่ของเรา ทำไมยังว่าไม่ใช่ของเราก็เพราะมันวางทับไม่ได้ไม่เป็นไป ต, ตามใจหวังเมื่อเห็นอย่างนี้แล้มันทั้งอิ่มไปหมดเลยไม่ต้องการแต่ที่ทำไปหมูนนั้นเหมือนั้นก็ทำไปโดยจำเป็นเสือเพราะว่าชีวิตนี้มันมันยังเนื่องอยู่กับโลกอันนี้อยู่อย่างนี้นะไม่ทำก็ไม่ได้ต้องทำไป ทำไปแต่ไม่หลงไม่เมารู้เท่าการกระทำนั้นเสมอไปไม่ยึดไม่ถืออะไรทำก็สักว่าจะทำไปแล้วก็แล้วไปได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปงันจิตใจที่มันอิ่มต่อโลกอันนี้แล้วไม่ใช่ว่าอิ่มแล้วจะไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้มันก็ผิดทางอีกเลยเพราะว่าชีวิตนี้ยังเป็นอยู่ กรรมมัะฉลุกกรรมที่ตกแต่งรูปร่างอันนี้ยังมีอยู่ยังไม่หมดเหตุของมันเพราะฉะนั้นจําเป็นก็ต้องบารุงร่างอันนี้ไปสะก่อนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสไม่สิ้นมันก็มุ่งประโยชน์ตนนั่นแหะมากกว่าประโยชน์ผู้อื่นทํายังไงตนจะหลุดจะพ้น ทำยังไงจิตใจของตอนจะเป็นอุบเบกขาลงไปต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่ก็ต้องทําความเพียรลงไปสอนใจตัวเองเข้าไปการสอนใจตัวเองนี่แหละสําคัญมากนะเพราะว่าใจนี่มันยังไม่ฉลาดเมื่อมันไม่ฉลาดแล้วมันก็หลงยึดหลงถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นไวอย่างนี้นะ ทีนี้พอปัญญาสอนจิตนี่เข้าไปเมื่อให้ใหจิตนี่มันเห็นสภาพความจริงของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่า ง, งยืนทั้งนั้นเลยแต่ความเห็นเหล่านี้เน่เมื่อมันยังไม่เป็นอากุปธรรม มันก็ยังกำเริบได้อยู่พอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราก็จริงแต่มันก็ปล่อยวางได้ทั่วนขณะที่มันเห็นก็ไม่ใช่ของเราอยู่เท่านั้นเลยคันพอเผลอเผลอส ต, ะติเข้าไปเอา้ามันเกิดไปยึดเข้าไปอีกแล้วไปหลงยึดตัวไม่รู้ตัวเลยโน่นมันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาจนถึงรู้ตัวได้อา้าวจิตนี่มันยึดถือแล้วมันถึงเป็นอย่างนี้ อันนี้แหละที่เราจะพึ่งสังวรระวังให้มากเลยผู้ปฏิบัติทาทั้งหลายผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวตาสงสารมันต้องมาควบคุมจิตอันนี้แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ควบคุมไปทุกอิเดียบทเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่ลืมจิตไม่ลืมกาย นอใจนี่นะเมื่อถูกตัญหามันย้อมอยู่แล้วเนี่ยมันแข็งกระลังนะสอนปัจจัยมันก็ไม่ลงอมันเน่ามันเปื่อนนะมันมีกลิ่นเหม็นนะรูปร่างกายอันนี้อย่างเนี้มันก็กลับเห็นว่าหอมไปซ้ำหุ่นจิตใจที่มันกระลังอยู่ด้วยตัญหา ปันหามันยอมสิตยอมใจเอาเม็นภายในมันก็ยอมดมอ่ะเมื่อมันทอบใจแล้วนี่ใจอย่างนี้เรียกว่าใจกระด้างโดยตัญหาอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะเหตุนั้นมันจึงว่าไม่มีอันุณธรรมอย่างอื่นที่จะมาทำจิตให้ อ่อนโยนลงต่อธรรมของจริงได้มีแต่ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้เองศีล น, นั้นเป็นการสำรวมกิริยามารา ย, ยาทสำรวมกายวาจาให้เป็นปกติไปความประพฤติทางกายก็เป็นปกติหมายความว่าไม่ไม่ผิดศีลนั่นแหละเรียกว่าปกตินะ การพูดทางวาจาก็เป็นปกติคือมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะเวลาพูดไปรู้ตัวอยู่อะตนพูดไม่มีผิดก็รู้ถ้าพูดไปมันเผลอมันจะผิดก็รู้อย่างงี้นะพอรู้แล้วก็กรับจิตไม่พูดเรื่องอย่างนั้นนะแต่พูดแต่ในสิ่งที่มันมีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น เมื่อทําได้อย่างนี้จิตใจมันก็เป็นปกตินั่นแห ล, แลจึงว่าสินอบรมจิตนะเอาสินเข้าไปอบรมจิตว่านี้จิตก็เป็นปกตนะิเมื่อรู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็อา้าวเอาสมาธิเข้าไปอบรมจิตเข้าไปให้ให้สงบละเอียดเข้าไปกวดสินนั่นอีกอันศินนั่นเพียงแต่ว่าทําให้ จิตไม่วิตกไปทางบาปอากุณเท่านั้นสว่วนสมาธินั้นได้แก่การน้อมจิตลงสู่ความสงบจิตนั้นอ่อนและเอียดลงไปไม่แข็งกระด้างกระเดือ่องทำจิตให้อ่อนให้โยนลงไปเมื่อเมื่อตอนทาจิตให้อ่อนให้น้อมลงไปแล้วอย่างนี้มันก็ สงบลงไปได้อย่างละเอียดแล้วออกตอนนั้นแนะตัญหามันเข้ามาทั ก, ทกจูงไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่ไหวไปตามอำนาจของตัญหามันมีสติควบคุมอยู่ประคองอยู่เป็นอย่างนั้นไอ้จิตใจที่น้อมลงสู่ความสงบเช่นนั้นแหละแล้ววันนี้ มาใช้ปัญญาสอนตัวเองเข้าไปอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ว่าพ อ, อน้อมใจลงสู่ความสงบเช่นนั้นแล้วปัญหามันจะระ ง, งับไปเลยมันไม่เกิดขึ้นอีกไม่ใช่มันเพียงแต่ว่ามันไปสยบอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะดังนั้นจึงต้องใช้ปัญญาสอนจิตนี้เข้าไป ให้เห็นโทษแห่งตัณหาวอมพยานอยากอันมีประการต่างๆส อ, อนเข้าไปเรื่อยๆเหมือนนย่าำโบราณท่านกล่าวไว้นนะตัณหารักลูกนี้เหมือนอย่างเชือกผูกคอตัณหารักหัวรักเมียนี่เหมือนอย่างฟอผูกขอบตัณหารักเข้าของเงินทองนี่ เหมือนอย่างปอกมาสวมอยู่ที่เท้าสรนหาสามประการนี่แหละมาฝูกมัดรัดถึงจิตใจนี่ไว้จึงไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานนี่เป็นคำล้ำพึงของพระเวสสันดรก่อนที่พระเวสสันดรจะให้ทานลูกทานเมียทานช้างทานมา้าอะไรอย่างนี้นะก็ได้ล้ำพึงอย่างนี้แหละ เราจึงตลาดทานออกไปได้ทุกคนให้พึ่งพากันพิจารณาให้เห็นโทษแห่งตัณหานี้ถ้าไม่เห็นโทษแห่งตัณหานี่แล้วใครปฏิบัติทำยังไงใครจะทําความดีอย่างไรภายนอกนั่นนะ่ะมันไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้ผลอืทําอะไรไปมันก็แสบไปหาตังแต่การมคุณนั่นแหละ ทำบุญมันก็นอิงกรรมมคุณเหมือนอย่างคนทำบุญบางคนบางกลุ่มพวกกะ ต, ต้องมีมโหสบครบเงินมีข่าหมูข้าวัวข้าควายลงเลี้ยงกันกินเหล้ากินยาสนุกสนานเฮฮานั่นนั่นเขาเรียกว่า ปัญหามันจูงไปแม้ทาบุญมันก็ไม่เว้นนะมันมันก็ยังปัญหายัางแทรกเข้าไปอยู่อย่างนั้นแล้วจนเป็นเหตุใ้คนเราทำบาปเพราะัญหานั้นพอมือมันเพลินยิ่งเข้าไปแล้วมันก็หาเรื่องที่สนุกสนานให้ยิ่งขึ้นนะเอาเราจะทำยังไงบ้างหัวเหมือนอย่างอดีตที่ทานท่านกล่าวไว้เรื่องไอ สัตว์ลกสี่ตนน่ะทั้งในอดีตนั้นเป็นลูกเศรษฐีทั้งสี่คนเป็นผู้ชายขันอยู่มานี่มารดาวเวลาล่วงรับไปแล้วไอ้ลูกทั้งสี่คนนี่ก็มาประชุมปรึกษาหาลือกันว่าเราจะใช้กกะจ่ายเงินนี่อย่างไรถึงจะมีความสุขสนุกสนานดีคนนึงก็ว่า ก็ใช้ใจเอาไปค้าไปขายเอากำไรงามๆา ม, ม า, าคนหนึ่งก็ว่าเอาไปจ้างคนามาทำอาหารให้บริโภคอย่างอร็สอร่อยดีเอาไปซื้อเครื่องประดับตกแต่ง สวยงามเอามาอวดคนอย่างนี้มันจะมีความสุขสนุกสนานดีมานี้คนผู้สุดท้ายมูลเลยเสนอขึ้นว่าเออผมว่าไอ้ที่พี่พี่พูดมาการจ่ายเงินมาหมู่นั้นมันไม่มีความสุขไม่มีรถมีชาติพอเท่าไหร่หรอกทางที่มันจะมีรถดีแท้ๆผมว่านี่ จ่ายเงินนี่ไปเพื่อบํเอาเลิอความสุขในกามและปัญหานี่นะเพราะงั้นออจริงๆหัวทางสามคนก็เห็นเรียนชอบด้วยอพอเห็นเรียนชอบอย่างนั้นแล้วก็เอาแล้ววันนี้เริ่มจ่ายเงินแล้วพอไปเห็นลูปใดสวยๆงามก็จะเป็นเมียใครลูกใครก็ตามมา ตีสนิกเข้าไปแล้วจ่ายเงินไม่มีอันเลยมันก็ได้มาครองนะเอาอยู่อย่างนั้ น, นสนุกสนานกันอยู่อย่างนั้นไปจนตลอดชีวิตไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเงินทองที่พ่อแม่หาไว้ให้เป็นมูลมรดกเหล่านั้นเอาไปจ่ายเพื่อกรามคุณนั่นเสียคนนีพอตายลงก็ ง น, น, นรกนนอจมลงไปสามมืนปีจึงถึงพื้นนรกมา น, นี้คูขึ้นมาอีกสามหมืนปีจึงก็ถึงปากนรกขอถึงปากนรกแล้วอ้าปากขึ้นว่าจะพูดกันว่าจะปรอบทุกต่อกันเลยกันคนที่หนึว่าทุก คนที่สองว่าสะคนที่สามได้วันนะคนที่สี่นว่าโส ổ, เท่านั้นแก็จมดิ่งลงไปเลยทีนี้พระเจ้าประเสริฐนีโก็สนได้ยินน่ะได้ยินเสียงสัตนรกนะ่นมันดังใส่หูอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรบนี่พระเจ้าไม่ทูลถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจึงทรง แสดงเรื่องสัตว์นรกสี่ตนนี่นะให้พระเจ้าประเสริฐอิกรสนฟังเพราะในขณะนั้นพระเจ้าประเสริฐอิกรสนี่ยคิดจะฆ่าชายคนหนึ่งเพื่อเพื่อเอาเมียของเขาเพราะเมียของเขาสวยงามมากบณีบุญของพระเจ้าประเสริฐอิกรสนยังอยู่เลยบันดาลให้เกิดนมิตรอย่างนั้นขึ้นมาแล้วพระพุทธศาสดาจึงได้ทง แสดงเรื่องสัตนรกสี่ตนน่ะมันมัวเมาในการมคุณโดยชาติก่อนไม่ทำบุญกุศลอะไรไปแล้วถึงไปถ่งนรกฟูขึ้นมาจะปรับทุกข์ต่อกันว่าโอ้พวกเรานี่ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนี่อยู่ในนรกนี่ถึงหกหมื่นปีแล้วเมื่อไรเนอะเราถึงจะพ้นได้มันบางตนก็ตั้งใจจะปรับว่า เมื่อเราค้นนรกนี่ไปแล้วเราจะทำบุญทำทานจากรักคาศีลอย่างนี้นะไม่ทันได้พูดเลยมันก็จมดิ่งลงไปในนรกเดีกก่อนอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าพระเียรมีกุศลได้ฟังอย่างนั้นก็กลัวปานี้กลัวต่อนรกกลัวตายแล้วจะไปตกนรกจึงได้งดความพยายามที่จะฆ่าสามีของหญิงคนนั้นนะ ก็เลยงดไปก็อย่างนี้แหละเรื่องปัญหาอันนี้นะมันมีอวิชชาความไม่รู้กากับด้วยแับ น, นี้นะมันไม่รู้เลยว่าความอยากเช่นนั้นนะมันจะเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรมันไม่ว่าเพราะมันไม่รู้นะมันมีอวิชชาครอบงาจิตอยู่เป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ ทุกคนให้พากันพิจารณาอย่าไปนิ่งนอนใจในอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัญหาเป็นเด้เกิดทุกข์ก็มีอธิบายอย่างนี้แหละอตัญหาพายคนขึ้นสวรรค์ไปนิพพานก็มีปัญหาพายคนลงนรกอบายภูมิก็มีะเป็นอย่างนี้เพราะปัญหาแปลว่าความอยากถ้าเราอยากทําความดี อยากคนทุกคนภายในสงสารอย่างนี้นะความอยากอย่างนี้นะมันเป็นไปในทางที่ดีมันเป็นเหตุให้เราขอนข่ายเป็นเหตุให้ทาความเพียรเช่น อ, อย่างผู้ปวดเข้ามาแล้วอย่างนี้นะได้ได้สลักกิเลสส่วนยอยากออกมาจากบ้านจากเรือนแล้ววันนี้มันยังมากิเลสอันส่วนกลางที่มันหมกมุ่นอยู่ในจิตใจนี่ แล้วก็มาทำความเพียรเพ่งพินิษนำดำริในใจเสมอว่าทำยังไงหนอเราจึงจะเอาชนะกิเลสอันอยู่ในหัวใจนี้ได้<ม>ไอเครื่องผูกมัดตรึงภายนอกนั้นเราสลัดมันมาแล้วว<ม>ันนี้มันมาผูกมันยังเครื่องผูกภายในที่ท่านเรียกว่าสังโยกนี่แหละมันผูกมันคล้องจิตใจของสัตว์โลกไว้อยู่ ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงมานาทิฐิอะไรพวกนี้แหละเวนวสังโยคมันเป็นเครื่องผูกมัดระลึงจิตใจของคนเราให้หนีจากโอเคสงสารอันนี้ไปไม่ได้ดังนั้นน่ะการเป็นนักบวดนี่จึงชือว่ามันเป็นการเข้าใกล้คิดกับดวงกิจ เป็นเป็นการดูจิตตัวเองอยู่เสมอเสมอได้เพราะมันไม่มีจิตตระการงานมาขัดขวางให้คิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างผู้คองเรือทั้งหลายมีตั้งแต่โน้มสติเข้าไปเพ่งจิตใจตัวเองอยู่เท่าฉนั้นทีิเลโ่สกิเลสอะไรมันมีอยู่ในใจมันก็เห็นมันก็รู้ว่านี้ เราพยายามเพ่งอยู่นี้เพ่งอยู่ไม่ท้อไม่ถอยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันท้อถอยในเมื่อเราได้เดินทางมาเรียกว่าจับต้นทางถูกแล้วถูกทางต้นทุกข์แล้วอย่างนี้นะเมื่อมาภาคเรียนพยายามกําจัดปัญหา ส่วนหยาบๆอันนี้ออกไปจากกิตใจให้ได้แล้วก็ยังจะปัญหาส่วนกลางหรือส่วนละเอียดอย่างนี้แล้วก็ทําความเพียรกาจัดปัญหาส่วนกลางออกต่อไปมันก็ไม่ได้เพียรมากมายเท่าไหรนะ่นัะมันไม่เหมือนเหมือนมันไม่เหมือนอย่างปัญหาส่วนหยาบๆนั้นปัญหาส่วนหยาบนั้นต้องได้ทำความเพียรเอาอย่าง แทบล้มแทบตายต้องอดนอนผ่อนอาหารต้องสเสแวงหาอยู่ที่สงบสงัดที่สุดอา้อาวท่านภูมเพ็นแต่ก่อนมาเนี่ยป่าช่างลงเสืออยู่ที่ไหนปลูกเข้าไปโนนอ่ะเมื่อมันกลัวตายมันกลัวสัตว์แล้วนะมันจะมาเบียดเบียนมันก็ตั้งใจสิแบบนี้ ไม่ปล่อยใจให้วิตกวิจาร์ไปในกามมากิเลสตัญหาต่างๆเท่นั้นใจของท่านมันก็รวมอยู่กับเนื้อกับตัวอะไรวานนี้ไม่ส่งออกไปข้างนอกอเนี่ยเอพระผู้จเจริญธรรมทานอิพัฒนานั่นนะท่านชอบไปอยู่ตามป่าเขาลมเนาภัยอยู่ที่เปรี่ยวที่มีภัยอันตรายต่างๆนะ ไม่ใช่เพื่อมุ่งอย่างอื่นใดนี่มุ่งให้ฝึกให้ธรรมชาติภายนอกนั้นช่วยฝึกจิตใจด้วยตล่อมจิตใจให้มันเข้ามาอยู่ภายในไม่ให้มันพุ่งออกไปข้างนอกนี่มันก็ได้ผลจริงๆสำหรับผู้เสียสละพอนะเสียสละชีวิตเลยเอาอะไรจะกินก็กินลงไปแล้วถวายชีวิตบูชาคุณพระตนาไกลแล้ว เมื่อสละชีวิตลงไปอย่างนี้แล้วมันก็หายกลัวมันก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรายอมเลยนี่อะไรจะเอาไปกินก็เอาอยอมสละบูชาแล้วถ้ายังหวงอยู่ยอมสละบูชาไม่ได้อย่างนี้นี่มันก็กลัวแล้อ ม, มันหวงนี่มันหวงขันห้า น, นี้มันไม่ยอมพปรงไม่ยอมวางอะ่ะ ม, มันเป็นอย่างนั้นเร่องมันะ่ะ ดังนั้นภาษาวกแต่ก่อนท่านผู้เจริญธรรมถา่ายอปัสนาท่านยังว่าไปอยู่ในที่ที่มีภัยเหมือนอย่างภิกษุสามสิบลูกท่านเหล่านั้นก็เรียกว่าบวชมาใหม่ก็ยังไม่ทันได้ชนานาญในการเจริญธรรมถายอุปัสนาเท่าไรนักเรียนกรรมฐานกรรมศาสตราแล้วก็ล่ำลาพราะองค์ไป ไปถึป่ามเมตเคียนป่าหนึ่งสมัยก่อนนั้นเรียกว่าคนมันน้อยป่าไม้กับอุดมสมบูรณ์อ่ะอจึงไปอาศัยกันอยู่ในป่าใหญ่อันนั้นวันนี้ในต้นตะเคียนนี่นมันมีพวกพูดพ้ปีศาจอาศัยอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะเพอพวกเราได้เห็นพระที่มีศีลอันดีงามไปพักอยู่ใต้ต้นไม้นั่นก็อยู่บนต้นไม้ไม่ได้อ เพราะว่าพูดพิผีขาดมันก็เป็นพวกต่ำพวกมีบุญน้อยหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยจำเป็นต้องได้ลงมาอยู่พื้นดินทีนี้ก็เลยลำบากจึงมาปรึกษากันเนยพวกเราจะทำยังไงจึงยายพ้าเหล่านี้หนีจากป่านี้ได้ก็ออกความเห็นกันว่าเราต้องแสดงเสียง ดังออกมาเป็นเสียงที่น่ากลัวออแล้วแสดงรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวให้พระเหล่านั้นเห็นและอย่างนี้นี่พระนี่ยังละกิเลดไม่ได้มันจะต้องกลัวต้องหนีกันแน่นอนหรือไม่ใชก็เอาบรรดานในท่านเป็นวัดเป็นไอจามกันไปเพราตกลงกันแน่ต่างตอนต่างก็ทําเลยวันนี้ ทำอาการอย่างว่านั้นพระเหราเนี่ย น, นะก็กลัวอะไรวะ น, นี่จึงได้ชวนกันหนีจากป่านั้นหนีก็ไม่หนีไปที่อื่นวันนี้กลับไปเฝ้าพระศาสดาไปกราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบว่าป่านั้นมีแต่ผีพวกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้เนียมันหลอกมันหลอนเอาพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าเออพวกเธอไม่มีคาถาดี ผีมันถึงไม่เคารพไม่ยำเกรงหรนั้งเอาแล้วเราจะบอกคาถาให้ให้เรียนเอาคาถานี้ซ ะ, ะพระองค์ก็สอนการณียเมตตาสูตรนี่ให้ให้พระเหาท่านท่องเอาจำเอาจนได้เมื่อจำได้แล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้ไปอยู่ที่เก่านั่นอีกแต่เมื่อเดินทางไปใกล้จะถึงป่านั่นให้พระกันสวดการณียเมตตาสูตรนี่นะ ไปเรื่อยๆไปอ่างนั้นจนเข้าไปถึงที่อยู่นั่นแหละอ่างั้นเ้วเมื่อกลางคืนมาก็าสวดใครสวดเราอยู่ในใจนั่นแหละ่างั้นถามความเพียรเมื่นนอพ ร, ระเหล่านั้นได้อุบายชาววสัน์ะดาแล้วก็พากันกราบทูลลาพระองค์ไปพอใกล้ถึงป่าพร้อมใจกันสวดกรณียเมตตาสูตรนี้ขึ้น จนไปถึงที่อยู่พวกผู้ปีประชาเหล่านั้นก็เลยลงมาอยู่จากต้นไม้มาอยู่พื้นดินมารักษาพระเหล่านั้นอยู่ตลอดพนฝ่าไม่แสดงอาการให้พระเหล่านั้นปวดปวดตัวแต่อย่างใดพระเหล่านั้นก็มีโอกาสได้ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไป จนตลอดสามเดือนในที่สุดท่า น, นันน้ก็สำเร็จอรหัตผลหมดทุกองค์ไปเลยอันนี้แหละเพราะฉะนั้นไปอยู่ป่าเนี่ยรู้ว่ามันเปลี่ยวมันมีภัยอย่างนี้ก็ให้หากันสวดกันในยมสูตรนี่ให้ได้เมื่อสวดกันไปบ่อยๆเข้า มันรู้มันเห็นผลด้วยตนเองหรอกการอยู่ไปในถิ่นที่นั่นมันอบอุ่นเหมือนอย่างมีคนมั่งมากมาอยู่ด้วยกันเป็นไปอย่างนั้นอบอุ่นใจ <c oughs> ที่นั้นมันก็ได้มีโอกาสทําความเพียนเต็มที่ไม่ดได้ไวไทวายงแครอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าเมื่อจเจริญไม่กรณียังไม่จะสูงไปแล้วความกลัว ต่างๆมันหายไฟนี้ออย่างนั้นมันมันถึงได้ทําความเพียรได้เต็มที่เลยรแบบนี้นะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ผลายาความเจริญผลายาความเสื่อมได้เป็นอย่างดีเลยแต่ต้นแต่บริษัทของพระองค์ไม่ปฏิบัติตามให้อย่างเข้มงวดกดขันเท่านั้นแหละ ปฏิบัติก็เพียงแต่เบาบางๆไปไม่เอาจริงเอาจังดังนั้นแ่ะมันถึงทนทุกข์ไปไม่ได้เมื่อเรารู้ข้อว่าปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วก็รีบเร่งทำความเพียรเข้าไปอย่าไปย่อท้อถอยหลังเพราะว่าถ้าหากว่ามัวมวอประมาทในชาตินี้ ทำบ้างไม่ทำบ้างอย่างนี้อ้าวมันก็ถูกกิเลสตัณหามันจูงไปให้ตกทุกข์ได้ยากไปไอาจจะเกิดไปชาติหน้าอีกถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งความเพียรไม่ย้ำลา ก, กิเลสมันก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายตกนรกหมกไม่อยู่เนี้ยหลงไหลไปทำความชั่วใส่ตัวตายแล้วก็ไปตกนรกอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีทางมันจะ จะเรินขึ้นไปได้นะอพระผูใ้ใดเกิดมาชาตินี้ได้มาพบพุทธศาสนาแล้วตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไม่พ้อไม่ถอยฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพรณะศาสนาไกลตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลที่ตนบำเพ็ญมาให้ได้จริงๆริแล้วเช่นนี้ จิตใจของคนนั้นก็ไม่ตกไปทางฝ่ายอากุศลเพราะว่าก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยบรรดาบาปก็กรรมทั้งหลายอากุศลทั้งหลายใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาถ้าใจมันหนักไปทางบุญทางคุณแล้วมันก็ไม่สร้างอากุศลให้เกิดขึ้นในใจเมื่อเราบำเพ็ญคุณธรรมให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบาปกรรมเรื่อยน้อนั้นก็ตามไม่ทัน เลยเป็นเอาหวสวกีการรมไปไม่มาสกัดกั้นทางเดินออกจากทุกข์เรียกว่าไม่ห้ามมักห้ามผลหมายความว่างั้นแหละไม่ห้ามดังนั้นผู้เช่นนั้นจึงมีโอกาสบำเพยนเพียนไปตามวัาบรรลุมรรคผลได้ตามจุดประสงค์ของตนหรือถ้าไม่บรรลุมรรค ก็ไม่มีบาปติดตัวไปแม้จะไปเกิดในภพในชาติอื่นต่อไปก็ไม่มีบาปกรรมอันใดติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์ในระหว่างที่เกิดแต่ละชาตินั้นเมื่อชีวิตนี้ไม่มีบาปกรรมตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันก็จเจริญนุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญอายุฝ่ยืนยาวนาน นั่นแหะในตาราท่านกล่าวว่าสมัยที่คนมีอายุยืนยาวนานนั่นนะพวกคนพวกเหล่านั้นละบาปอกุศลแล้วมาแต่ชาติก่อนโน้นนะเขาเกิดไปในชาตินั้นแล้วมันไม่มีกรรมเวรอะไรมาตัดรอนเลยมีแต่บุญกุศลอํานวยผลให้ยืนได้มีอายุยืนยาวนานไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกายสังขาร จึงสามารถสร้างกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างเต็มที่เลยเหมือนอย่างท่านกล่าวไว้ในศาสนาพระศรีอริยะเมตไพรอย่างนี้นะคนมีอายุยืนตั้งแปดหมืนปีลู่นะและอย่างนี้ในตำราท่านกล่าวไว้ว่ามีแต่พวกเทวดาเท่า น, นั้นจุดติีจากสวรรค์ลงมาเกิดไอ้พวกปณะรกพวกเปรตเหล่านี้ไม่มีสิทธิ ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรเพราะว่าพระองค์ได้ตั้งปณิธานความปรารถนาไว้อย่างนั้นตอนสร้างบารมีมาเพราะฉะนั้นพระศรีอริยเมตไตรนี่จึงสร้างบารมีนานกตัวที่พระองค์ที่ล่วงแล้วมาตั้งที่พกอสงไขนั่นพระศรีอริยเมตไตรนี่นะสร้างบารมีมาแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตีอสงไข่ ปลายแสนมหากรับหนึ่งอย่างนี้แหละดังนั้นภาสนาของพระศีอริยะเมตตาเนี่ยจึงราบรื่นมีแต่เทวดาจดตุติลงมาเกิดในโลกเกิดมาแล้วจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีบุญสบายผลบุญของตนแล้วเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระิเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติไป มันก็ไม่มีมานคือกิเลสอันไร้กัดอะไรมาขัดขวางทำให้ท่านเหล่านั้นบรรลุเมผลนิพพานไปได้มากมายขายกองเพราะว่าพระศีอริยเมตไตรนั้นท่านอยู่คองเรือนได้สี่หมื่นปีและจึงเสด็จออกบวชพอบวชไปบําเพ็ญอยู่ได้เจ็ดวันเท่านั้นก็สําเร็จสัมมาสัมโพธียาน พระองค์ก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่นั้นถึงสี่หมื่นปีเพราะฉะนั้นพวกคนสมัยนั้นน่ะมันจึงได้ทำบุญํำทานได้ฟังธรรมกับพระศรีอริยะเมตไนั้นนานทีเดียวหลายร้อยหลายพันกันแหละ ว, วันเถอะนั่นแหละเหตุ ด, ดังนั้นท่านเหล่านั้นจึงได้บรรลุมรรคผลทั้งหมดเลย เมื่อพระสีอริยเมตไตรดับขันเข้าสู่นิพพานแล้วศาสนาของพระองค์ก็หมดไปตามกันเลยเพราะว่าคนผู้มีบุญทั้งหลายนั้นที่มาเกิดร่วมศาสนาของพระองค์นั้นได้ละกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปเข้าสู่อนิพพานกันไปนหมดแล้วพระองค์ก็จึงไม่ได้ไว้ศาสนาเพราะคนต่อไปนั้นเข้าใจว่าคงจะเป็นคน บาปหนาสาโหดมาเกิดแม้ว่าศาสนาพระองค์ยังจะยังเป็นไปอยู่ก็คงไม่มีใครที่จะรับรับถือศาสนานั้นไว้ได้นมนานอะไรเพราะองค์ก็คงเล็งยานรู้แจ้งแล้วดังนั้นจึงไม่จึงไม่ไหศาสนานี่แหละความเป็นมาของพระพุทธศาสานาเนี่ย พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์มาตรัสรูในโลกเมื่อกาวโดยสรุปแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาสอนให้คนเราละความชั่วนี่แล้วทำความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจแล้วทรงสั่งสอนให้ทำละจิตใจที่ขุนมัวเศร้าหมองอยู่ด้วยอุป ก, กิเลสต่างๆนี่ให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี่มันจะได้พ้น ทุกคนภายในสงสารนี้ไปจุดมุ่งหมายแห่งคําสอนของพระเจ้าทุกพระองค์ย่อมตมแงแสดงอย่างนี้เหมือนกันเลยไม่มีผิดแตกต่างกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธหลายขอให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอ้าว ก็มาสวดจูงกายวาจาใจอุกชนว่ามันมีความชั่วอะไรยังค้างอยู่ที่กายวาจาใจนี่ก็เพียนละความชั่วนั้นออกไปให้มันหมดไปสิ้นไปนั่นแหละในขณะเดียวกันเราก็เพียนทําความดีให้เกิดได้มีขึ้นแทนความชั่วที่ละไปนั่นเสียจิตใจในที่ยังเศร้าหมองขุ่นมัวโยกเพียนไม่ยามละมัน ด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาดังที่แนะนำสั่งสอนมานั้นนะโดยความไม่ประมาทแล้วอย่างนี้มันก็มีหนทางที่จะพ้นจากทุกข์จากภัยในวัตาสงสารอันนี้ไปได้ก็ถ้าว่ายังพ้นไปไม่ได้ก็เรียกว่าเราพยายามกำจัดกิเลสตะนี้ให้เบาบางออกไปมากที่สุด เขาที่จะมากได้ขอไปเกิดไปชาติใดได้พบพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของพระ อ, องค์ได้ฟังคำสอนของพระ อ, องค์แล้วก็บรรลุมรสนิพานไปได้ง่ายไม่ต้องลำบากเหมือนอย่างพระอรหันต์บางยก่ยพกนั่งกล่าวมาแล้วนั่นแหละได้ฟังคำสอนของพระ อ, องค์แต่เพียงบาดพระทาถาเดียวหนึ่งเท่านั้นจบลงโดยที่พระ อ, องค์ไม่ได้อธิบายอะไรเลย ก็สำเร็จอรหัตผลไปแล้วนี่ก็เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนนะเพื่อนฝึกตนทรมานตนฝึ ก, กจิตใจในี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณจริงๆฝึกให่มีสติมีปัญญาพี่นาสังสาร น, นามลูกอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไปแต่ว่าเมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มบริบูรณ์ลวมันก็ยังบรรลุไปไม่ได้เลย แต่มันก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆอย่างว่ามานั่นเนี่ยพอมาเกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมนิดหน่อยเท่านั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้นี่การหลุดพ้นจากทุกข์ใจในสงสารตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องอบรมกายวาจาใจทุกส่วนให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายดังแสดงมา สมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้